สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทยธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่เจ็ดสิบหกเรื่องความสว่างปัญญาพระวจนะและการสื่อสารพระธรรมในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในสุภาษิตบทที่สิบสามข้อเก้าถึงข้อสิบเจ็ดสุภาษิตบทที่สิบสามข้อเก้าถึงข้อสิบเจ็ดโปรดฟังพระจนะของพระเจ้า สว่างของคนชอบทำนั้นก็เปรมปรีแต่กระทีบของคนชั่วร้ายจะถูกดับเพราะความทะลึง่งผู้ประมาทจึงก่อวิวาทแต่ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ที่รับคำแนะนำทรัพย์สินคารที่ได้มาอย่างเร่งร้อนจะย่อแยบลงแต่บุคคลที่สัมสมทีลเล็กทียน้อยจะได้เพิ่มพูนขึ้นความหวังที่ถูกหนวงไว้ทำให้ใจเจ็บช้า แต่ความปรารถนาที่สำเร็จแล้วเป็นต้นไม้แห่งชีวิตบุคคลผู้ดูหมิ่นพระว จ, จนะนำการทำลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติจะได้รับบำเน็จคาสอนของปราชญ์เป็นน้ผพุแห่งชีวิตเพื่อให้หลีกจากบ่วงของความมรณามีสามัญสำนึกที่ดีก็ได้รับความโปรดปรานแต่หนทางของคนไม่ซื่อเป็นความย่อยยับของเขา คนที่อยางรู้กระทำทุกอย่างด้วยความรู้แต่คนโง่ก็อวดความโง่ของตนเพียงครับบทเรียนจากสุพาสิธิ์ในวันนี้นั้นเป็นเรื่องของความสว่างเป็นเรื่องของการที่เราจะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเป็นเรื่องของการที่เราจะเชื่อฟังเพราะจนะงพระบัญญัติของพระเจ้าและเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ดี ในทะเลทรายนะครับเวลาที่ชาวเบดูอินเขาอบพยพหรือปักหลักอยู่เป็นการชั่วคราวเพราะว่าชาวเบดูอินนี่เป็นพวกที่สันจอดในทะเลทรายย้ายไปย้ายมานะครับตามแหล่งที่มีหญ้ามีน้ำครับโคมไฟของเขาในเวลากลางคืนตอนที่เขาจะดักเพื่อที่จะหลับนอนแล้ว พอเวลาเขาดับครับเบริเวณรอบๆก็จะมืดและมืดมากด้วยซึ่งการดับของโคมไฟเหล่านี้ทำให้หรือเป็นเครื่องเตือนใจลึกถึงช่วงเวลาแห่งความตายซึ่งเป็นของความมืดผู้เขียนสุภาษิตกำลังเปรียบเทียบว่าคนชั่วร้ายจะถึงคราวตายก่อนวัยอันสมควรในขณะที่คนชอบทำ จะมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกพระทีศของคนชั่วร้ายจะถูกดับครับพระเจ้าจะเป็นคนดับเขาเองแต่ความชอบธรรมหรือคนชอบธรรมนั้นก็จะเปลีป่ยมปีจะมีชีวิตยืนยาวเพราะความทะลึง่งผู้ประมาทจริงก่อความมิว่าความทะลึ่งนี้มีความหมายแปลว่าความยัโสความเยื่ยิงความโอหัง ความลําพองการไม่ยอมใครเป็นคนไม่ยอมจนนํานวนสิ่งเหล่านี้ครับคนที่มีลักษณะเหล่านี้จะนําไปสู่การทะเลาะวิวาทจะนําไปสู่คำขัดแย้งที่ไม่มีวันจะลงเอยไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นคนที่ชอบวิวาทคนที่ก่อปัญหานะครับมันเกิดจากความย่โสครับมันเกิดจากความที่มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกต้องตลอดเวลา ตรงนันข้ามกันกับคนที่มีปัญญาครับเขาจะปรับใจเขาจะปรับใจเขาจะเปลี่ยนความคิดอยากเรียนรู้อยากรับคำแนะนำเขาจะมีความรู้สึกเหมือนน้ำพร่องแก้วอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คนเย่อหยิ่งนั้นคิดว่าตนเองเป็นน้ำที่เต็มแก้วแล้วตนเองเป็นคนที่ทำอะไรก็ดีที่สุดไม่มีใครเทียบได้นี่เป็นภาพของน้ำที่ถูกต้มให้เดือดนะครับภาพของน้าที่ถูกต้มให้เดือด ถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบกับความเย่อหยิห่างที่ไม่ยอมจํานนไม่ยอมรับคําสั่งสอนของใครเป็นเรื่องน่าอันตรายอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องถ่อมใจถ่อมใจพิจารณาตัวเองถ่อมใจเพื่อที่จะตรวจสอบให้พระเจ้ายิ่งใหญ่และเราจะต้องเล็กลงข้อต่อไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสลิงคารนครับทรัพย์สินสลิงคารที่ได้มาอย่างเร่งร้อน ก็คือได้มาอย่างไม่สุจริตครับก็จะส่งผลร้ายต่อเจ้าของเช่นกันในขณะที่บางคนแม้จะมีเงินมากแต่ก็ไม่มีความสุขครับมีปัญหารุมเร้าดอบด้านในทางตรงกันข้ามพระกัมพีสอนเราให้เราสะสมครับให้เราเก็บหอมรอมริบอย่างสัตย์ซื่อทำงานด้วยความสัตย์ซื่อเก็บเก็บหอมรอมริบอย่างมีระเบียบวินัยในชีวิตกิเลสเทน้อย ก็จะทำให้เงินทองของเราเพิ่มพูนได้คนที่สัตว์ซื่อนะครับเราสังเกตดูก็จะไม่ได้รวยเร็วไม่ได้รวยมากจนล้นฟ้าเป็นการดีครับที่เราจะเป็นคนที่สัตว์ซื่อเป็นคนที่สัมสมทรัพสมบัติทีนี้คนที่สัมสมทรัพสมบัติไว้ในสวรรค์นะครับจะดีกว่าสัมสมทรัพสมบัติไว้ในโลกเป็นการดีที่เราจะต้องทามาหากินด้วยสัมมาอาชีวะ และเราจะต้องสัมสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ด้วยเป็นการดีที่เราจะมีความหวังแต่ถ้าไม่สมหวังเป็นเวลานานก็อาจจะทําให้เราผิดหวังเราเจ็บช้าน้ําใจได้แต่พี่น้องครับเราต้องอดทนรอคอยความหวังของเราและความหวังที่สําเร็จนะครับก็จะทําให้เราสดชื่นจะเป็นไปตามความปรารถนาของเราและขอบคุณพระเจ้า ที่พระเจ้าได้ทรงตอบคาอธิษฐานของเราพี่นครับความปรารถนาที่สาเร็จแล้วก็เป็นต้นไม้แห่งชีวิตครับทำให้ชีวิตของเรานั้นสดชื่นดังนั้นเองสิ่งที่เป็นคำสอนอยู่ในข้อนี้ก็คือเราจะต้องฝึกฝนการรอคอยครับการรอคอยและการฝึกฝนความการรอคอยให้ยาวนานมากขึ้นจะเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นอดทนและทนได้นานขึ้นพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรา จะได้รับจากการอธิษฐานครับการอดทนรอคอยการฝึกฝนการรอคอยให้ยาวนานขึ้นมันเกิดขึ้นได้ตอนที่เราอธิษฐานนะครับพี่น้องลองทําดูแล้วพี่น้องจะรู้การดูหมิ่นคําสอนของบิดามารดาหรือครูก็เท่ากับการดูหมิ่นพระวจนะของพระเจ้าดูหมิ่นพระบัญญัติของพระเจ้าคนที่ดูหมิ่นคําสอน ดูหมินหลักข้อเชื่อดูหมินพระบัญญัติดูหมินพระวจนะนั้นก็จะส่งผลให้คนนั้นต้องจ่ายราคาค่างวดสำหรับความผิดพลาดและความผิดและการลงโทษในขณะที่คนที่เคารพคำสอนเคารพพระวจนะและปฏิบัติตามจะได้รับบำเหน็ตที่มาจากพระเจ้าซึ่งเป็นบำเหน็จแห่งพระพร เพราะฉะนั้นการฟังและการรับคําสอนการเรียนโพชณนะการรับโพชนะข้าพเจ้าใน <c oughs> การเชื่อฟังนะครับจากผู้รู้หรือปรานั้นพระองรมพีบอกว่าจะช่วยชุบชีวิตให้ฟื้นชื่นขึ้นประดุดดังน้ำํำพุแห่งชีวิตเลยทีเดียวพี่น้องครับให้เราใส่ใจในโพชนะนะครับพระธรรมพีหลายหลายข้อในวันนี้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องให้เกียรติและรับโพชนะของพระเจ้า นับถือพระบัญญัติของพระเจ้าจะได้รับบําเห็จคนที่ดูหมิ่นพระเจจะนำการทำลายมาถึงตัวเองครับคำสอนนะครับของพระเจ้าหรือหลักข้อเชื่อสิ่งที่อยู่ในพระธรมพีจะช่วยให้เราปลอดภัยนะครับจะช่วยให้เราหลีกหนีจากบ่วงของความตายได้ในข้อสิบห้าครับการมสีสามันสำนึกที่ดี แปลว่ามีความเข้าใจดีมีสติปัญญาการเข้าใจนะครับการมีความเข้าใจเป็นคนอย่างรู้ <c oughs> นะครับมีสติปัญญานั้นเกี่ยวข้องกับการที่เราจะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าเกี่ยวข้องกับพระคุณและความกรุณาของพระเจ้าและเกี่ยวข้องกับความโปรดปรานความการให้ความเคารพที่คนทั้งหลายจะมีต่อเรา เพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความเข้าใจดีเป็นคนมีสติปัญญานั้นทําให้เราได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าเราได้รับพระคุณและความกรุณาของพระเจ้าและไม่เพียงแต่เท่านั้นครับคนอื่นๆคนทั้งหลายก็จะให้ความยําเกรงให้ความเคารพเราพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องแสวงหา การที่เราจะมีชื่อเสียงดีนะครับในชีวิตของคนซื่อสัตว์นั้นเขาจะมีชื่อเสียงดีชีวิตของคนไม่ซื่อสัตว์นั้นเขาจะยากลำบากคาว่ายากลาบากนั้นมีความหมายว่าท่วมทนหรือท่วมไปด้วยความลำบากเพียงครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาครับแสวงหาปัญญาจากพระเจ้าแสวงหาความชอบธรรมแสวงหาความอย่างรู้นะครับ ก็จะนำมาซึ่งความโปรดปรานที่พระเจ้าจะโปรดปรานเราคนหัวแข็งดื้อรั้นนั้น <c oughs> เขาจะเสียประโยชน์จากการพัฒนาชีวิตของตนหรือเขาอาจจะใช้เวลาที่ยาวนานมากเพื่อทีอ่จะตามทันคนอื่นตามทันเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันขณะที่คนมีความรู้แล ะ, ฉะเฉลียวฉะลาดนั้นเขาจะไม่พูดมากแต่คนโง่นั้นอวดความโง่ของตนเองออกมาข้อสุดท้ายครับ ผู้สื่อสารที่ไม่ดีนั้นเอาคนจุ่มลงไปในความลาบากหมายความว่าผู้สื่อสารที่ไว้ใจไม่ได้ตัวเขาเองนั้นก็จะตกอยู่ในความลาบากและทำให้คนอื่นตกอยู่ในความลาบากด้วยเช่นเดียวกันครับผู้สื่อสารที่ไม่ดีอาจจะเกิดจากความเกลียดข้างของเขาหรือการกระทําที่โง่เขาของเขาเป็นไม่ได้แท่สองอย่างดังนั้นเป็นเรื่องดีครับที่การสื่อสารที่ดีหรือผู้สื่อสารที่ดีเขาจะนําการรักษามาให้ นั่นคือเขานํำสรีภาพมาให้กับผู้ที่เขาทํางานให้พี่น้องครับการสื่อสารนั้นมีความสําคัญมากทําให้ชีวิตคู่ของเราทําให้ชีวิตครอบครัวของเราคริดจักรของเราถ้าสื่อสารที่ไม่ดีนะครับจะเกิดปัญหาความขัดแย้งมาแล้วทั้งสิน้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เราจะต้องพึ่ง พ, พระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงให้คนหันกลับมาเป็นมิตรไมตรีกันด้วยการสื่อสารที่ดีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะ เน้นเรื่องการสื่อสารพัฒนาการสื่อสารเราต้องมีผู้สื่อสารที่ไว้วางใจได้เพราะว่าเขาจะนำสวัสิภาพความปรารถนาดีความสำเร็จมาสู่พวกเราอาเมน